นะฟังกันมาการนะั่งการบอกความเท็จความจริงเน่ยเป็นชีวิตชีวาจริงๆเนี่ยโตฟังจะมีชีวิตชีวาบ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้เพราะว่ามันมีสูตรสูตรของคน เจ้ต้องศึกษาให้มันจบแต่ไม่รู้จักสูตรของเราแล้วมันก็มีปัญหาแน่นอนร่อไปเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบดังพระสูตรที่เราสาธยายสวดธรรมัดเช้าธรรมัดเย็นบทพิเศษไรวางอย่างด่วนแต่เป็นสูตรที่ คาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นพระธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ได้เห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นปะฏิจาสมุาบาทเป็นอย่างนั้นจริงๆ้าดไม่ได้ มัดมือชกเลยชีวิตของเราไอ้ปฏิเจธเรื่องนี้ถือว่าจะดีะหลายไม่ใช่ไม่ได้กลัวที่เจอคนอนวเรื่องนี้นานเท่าไหร่จนถึงวิสูตรอะไรหลายอย่าง เช่นครูทั้งหกกุกุ ก, กะกัจายานะเป็นครูคนหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็คนมามัคคิริโคสารเป็นครูคนที่สอง เหรอจนใส่รัตนบุตรไมด อ, อะไรน่าจะปวดตั น, ตนี่จนถึงอาทิกะเกจกรรมพลปูกูเกาะกัจญาะเป็นธาตุ นับใช่ที่ซื่อสัตว์ต่นอนายเลิกที่หลังทางานหลังนายทำงานลงทางานก่อนนายเก็บของนายที่มอบให้ทางานด้วยความใส่ใจเพื่อหนายในการเป็นทาสหนีหนายตามจับบิ่งไล่จับเอบาผ้า ถ้าหลุดแค่ผ้าบิ่งหนีไปเลยจนไม่นุ่งผ้าคนเห็นไม่นุ่งผ้าก็เกิดศรัทธาก็มีนะ ว, ว่าเ็เข้าใจว่าเป็นพระโพธิชัด <c oughs> เป็นผู้ที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมไม่ต้องอาศัยอะไรแล้วก็มีศรัทธามีสาชนิกมากมายนี่คือผูก กุกุจจากกจายนะดนากรณ์ก่อนพระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์ลูกหามากไปใช่หรือไม่คนบางคนไม่ยอมต้องหาวิธีอื่นนักขลิโขสารขึ้นมาอีกเป็นลูกที่เกิดใน ข้อโคประกาศตนเป็นชาชดาหมดกิเลสมีทรคำสอนมากมายมีลูกศิษ์ลูกขหมามาก อ, มอะไลหนาทบุทร จำบ่ได้เป็นบุตรน้อยช่างพ่อล่อมมีชื่อเสียงประกาศตนเม็นชาชดามีคำสอนนอนเชีนน่อนนอนหนำมันก็เชื่อก็ถึงสนใชเวลาแตบุตร เป็นบทของช่างจักศารในชื่อเสียงมีเป็นเศรษฐีคนหนึง่งก็ประกาศตนว่าชาสดามาที่กัเกตกมพลผู้อู่คนหนึง่งน้องขมมนุษย์ มนุษย์ที่ตัดผมคนตายที่ตายไปไปเอาผมมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มใบที่ใดคนศรัทธาแปลกๆมีส่อชนิดมากมายเดี๋วมีคนที่ไปยอมรับเช่นจิทตธะไม่ยอมรั บ, รถถ ไ, มมรบไม่คัดค้าน ไม่ต่อต้านหาไม่ยอมออกไปบวชออกไปบวชเขาก็ท่าทายเขามีค่ครูทั้งหกอยู่แล้วเขาสอนกันอยู่แล้วต้องแวกหลงเราพระองก็พิจารมามากมายหลายอย่างไม่ใช่ จนมามีกายมีสติไปในกายแล้วมีชสติไปในกายเห็นกายอยู่เป็นประจำนี่ยสูตรมันจะเทะ่าเดล้วเราก็มีกายเหมือนกับสูตรสาเร็จอันหนึ่งเหมือนสูตรการ่านแพทย์สูตรกีฬาสูตร อะไรต่างๆเขาก็มีสูตรท่องเขาแต่เล่นไปตามสูตรไม่พยายามจะไม่พยายามเที่จแพ้เรื่องใดแต่มันก็ยังแพ้ได้มันก็ชนะได้ด้วยสูตรมีครูสิทธ์มีครูแต่อะไรก็มีสูตรจะเป็นหัตถกรรมนวัตกรรม ศิลปกรรมแล้วก็มีสูตรเช่นสูตรจักสานแล้วก็มีสูตรเคยเลียนสูตรจักสานไก่อีกาข้ามห้ายกสองข้ามสามทุกทีที่ยกสองแล้วยกสามข้าม ที่ยกสามที่ที่ยกสองห้ยกสี่ข้ามสามทุกทีตรงที่ยกขึ้นสองเช้นต่อไปยกสี่เช้นแต่ข้ามสามทุกทีมันจะเป็นหลายแล้วก็สารเข้าถ้ายกผิดสารไม่เข้าตอกไม่เข้ากันห่างถ้าสารถูกมันถี่ นี่เป็นสูตรไปที่เศษไปได้ถ้าสานกรติบเข้านับสามคู่สามให้เศษสองเช่นหนึ่งนับทีได้สามเช่นสามเช่นนับไปแล้วได้จะเอยเล็กเอาใหญ่เท่าไหร่แล้วให้เศษสองเช่นมันจะรวมกันเป็นหลายไปเลยเข้ากันไปเลยเป็นวงกลมไปล้นี่เป็นสูตร ตัดเสื้อตัดผ้าก็มีสูตรตัดผมก็มีสูตรอ่านไพก็มีสูตรจึงใช้ได้ถ้าไม่มีสูตรมันใช้ไม่ได้ไม่สาเร็จไม่จบไม่สิ้นการปฏิบัติธรรมก็มีสูตรเดินลู่เรื่องชีวิตของเรานะ่ย มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะมันมีสูตรปัญจึงมีศีลมีสมาธิต้องมีสูตรปัญญาก็ต้องมีสูตรเป็นเมกเป็นผลต้องมีสูตรเป็นหลักสูตรนี่เยอะตั้งสองพันสองรอยธรรมขันสองร้อยเรื่องสูตรของธรรม สุดของวินัยสองันสองรยเตื่อสมสูดพระธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมมาก4ี่สมนสองพันเรื่อง รวมแล้วเป็นแปดหมื่นสี่พันเรื่องได้ศึกษาสูตรมันแตกฉานไปถ้าไม่มีสูตรมันไม่แตกฉานเหมือนเราเรียนวิชาอะไรมันแตกฉานง่ายง่ายถ้าได้สูรแล้วไปเรียนมารีเรียนนักธรรม มันจะถามอะไรมันต้องถามในสูตรถามนอกสูตรไม่ใช่เช่นเรียนคณิตศาสตร์ก็ถามเรื่องกเกษตรมันไม่ใช่สูตรของวิทยาศาสตร์สูตรชีวิต ท, ที่มันเรียนจบเรียนจบสิ้นมันมีสูตรแบบนี้มีสติไปไหนไกลแบบนี้มันจะเข้าแถวมาห้โราดูเราก็ ประสบการ์เอากายในกายเป็นประจามันมีอันเดียวที่แรกต่อไปเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นประจามันมีทั้งหลายคาว่าเวทนาเนี่ยตจิตก็ไม่จิตประจำมอันเดียว ถ้าทำมีทำทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นประจำเห็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำเห็นเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นประจำเห็นกายในกายเป็นประจำมันมีอันเดียวตายกับจิตแต่ถ้าแยกเป็นเวทนามีมากเป็นธรรมก็มีมาก มันเกิด จ, จ, จ, จากกายจากจิตเราเนี่ยมาจะเมื่อทำถูกมันจะกระจายออกไปเมื่อทำไม้ถูกก็ไม่กระจายลื้อไม่ออกเหมือนลื้อบ้านลื้อรถเครื่องยนงต์กลไกถ้าไม่รู้จักตรงที่ลือ้อมันก็ออกไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าสูตรเราจะไปเฉลยมัได้ก็ใช่ได้จริงจริงสูตรลื้อถอนสูตรประกอบเพื่อจะใช้มันตามสมมติบัญญัติสูตรที่เป็นสมมติเพื่อใช้ชั่วคราวสูตรที่เป็นสมมติบัญญัติสูตรที่เป็นปฏิมาสัจจะไม่ต้องมีสมมติใช่ มันมีอยู่แล้วแต่ต้องมีสมมติเป็นเปลือ ก, เ, เ, อกเช่นข้าวที่เราเอาไว้กินนี่ต้องมีข้าวเปลือกจะเก็บข้าวสารไว้ไม่ได้มันสูนพันต้องมีข้าวเปลือกเก็บเป็นพันเอาไว้แต่เราไม่ได้กินข้าวเปลือก เข้าวเชีข้าสาลีินข้าสุกแต่ต้องจาเป็นต้องเก็บหรือโทษไม้ต้นไม้ต้นไหนไม่มีเปลือกมันก็ไม่เจริญเป็นต้นไม้ที่ตายไปแล้วมันมีเปลือกมันจึงเจริญศาสนาก็เหมือนกันมีสมมติมีบัญญัติมีประมาทเอาใส่สมมติ ใช่ได้นี่เป็นพระสงนั่นเป็นแม่ชีนั่นเป็นวาโชกนั่นเป็นวาสิกาในระเบียบของอะไรเป็นระเบียบไม่ใช่ส ม, มุดถ้าหลงตาไปอบรมพยาบาล ที่ะนบุรีวิสัยพยาบาลพุทธบาทกัปอาจารย์สายหยดพอออรองวิลัยพยาบาลฝึกพยาบาลโอกรโถนไหมใส่ข้าวให้กินจะกินได้ไหมอ <c oughs> <c oughs> ถนัำเหรอไถใส่ของสกปกใส่คูด ถึงจกปกแต่เอามาใส่ข้าวกินปอยให้หวานพเพ่งกระโถนกิกนข้ามาลงแต่นั้นไม่ได้ต้องให้รู้จักสมมติมันเป็นชื่อเฉยๆกระโถนแต่ไม่ได้ใส่อะไรเป็นไม่อยถ้าเร า, เากระโถนมาใส่ข้าวกินจะเป็นเรื่องแปลกสมมติแบบนี้ใช่ไม่ได้ แม่กะโถนในท้องพระโรงอยู่ในท้องพระโงก็ยังใส่ของสก ป, ปกนี่เชื่อกะโถนเมาตั้งถางทูปไปได้ต้องก็โถนมาตั้งเ ป, ป็นถางทูปเขาก็หาว่าเราบ้าในสมมุติบั ญ, ญือนหยัดไม่ใช่ปรามาจิตจักจริงแบบสมมตุติแต่ไม่จริงแบบปรามัติตอัน ภาาที่เราใชา้สมมุติที่เราใชา้โอ้เนี่ยอย่าไปหลงแต่อย่าทิ้งเราหมาเห็น <c oughs> เห็นทุกข์ <c oughs> เห็นความไม่ทุกข์ <c oughs> เห็นความดับทุกข์ <c oughs> อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เหมือนคนเป็นนักกีฬาแก้ให้ได้ ถ้าไม่แจ่ลูกตายไม่เป่ยชนะัดะก็แพ้ตลอดไปถ้าหวันหลงไม่รู้ก็แพ้ขวามหลงปาราชัยต้องอมอนบ้าระชิกน้อยแรงไม่เปลี่ยนหลงเป็นลูกไม่มีโอกาสบรรลุธรรมได้ไม่ถึงมรรคถึงผลนี่คือมันถูกมันผิดมันโกรธ ไม่แ ก, ม ก, มม ก, ก้ไม่เปลี่ยนต้องปริคิกไม่ถึงมรรคถึงผลมันทุกข์ไม่เปลี่ยนไม่แก้แล้วก็หวงขัน้นต้องปรลชิกพ้ายแพ้ไม่ถึงมรรคถึงผลมันจะพ่ายแพ้ตอนนี้ก่อนจึงไปผิดปรลชิกตังหา่ทีเสรอันต่อไป ออนเหตุมันจะแพร่โทที่โน้มต้องแพร่ตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่แพร่ตรงนี้มันก็เลื่อนฐานะเลื่อนชัน้นผ่านเหมือนปฐมมัธยมอุดมได้ง่ายเหมือนเราเหมือนนักกีฬาเขาฝึกเพื่อใช่ไม่ใช่เป็นทุกขป์ปฏิปทา อ๋อหลงสลามเขาฝึกเพื่อใช้นักบวยเขาฝึกวิชาบวยเพื่อเอาไปใช้ต้องกันตัวเขาถึงเขาที่จำเป็นหรือไปแข่งกีฬาตามทุนทุนของโลกตามทีมต่างๆฟุตบอลเขามีฝึกเพือ่อใช้ถ้าเราไม่ฝึกอะไรไม่มีอะไรใช้กับเขาจนเหมือนเราไม่มีอาชีพ ทำไรก็ไม่เป็นการฝึกไม่ถือว่าเป็นทุกขะปฏิปทาบางคนเห็นเราฝึกวิากาทารกรรมฐานแบบนี้เขาว่านี่ทุกขะปฏิปทาดังดังก็อยู่ทุกคนนี่นีพระที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินจนกงกรมนั่งหรือเฉยก็ได้มันรู้ทำได้เขาหาว่าเป็นทุกขะปฏิปทาเดี๋ยวนี่ก็ ตัวจงตีอะไรก็จะให้บรุษุธรรมเพราะพระอาจารย์ช่วยตัวเองไม่ต้องช่วยตัวเองออาจารย์แบบนี้ก็มีแต่ถ้าจะได้บรลุธรรมต้องให้เราช่วยมาชะทาเราถ้าจะไปฌานเราจะไปแทน เข้าชาิทีละเดือนทีละอาทิตย์สองอาทิตย์คนอื่นทำไมได้ทำได้เฉพาะอาจารย์เมื่อไปดูแล้วเห็นเรามาเล่าให้ฟังก็ดศรัทธานั่นไม่ใช่ถ้าทำที่ครูสอนอะไรสอนให้ขอเพิ่งคนอื่นสึ่งอื่นใช่ไม่ได้ไม่ใช่ปรมาจารครูอสอนอะไร ที่สอนให้เขาเพึ่งตัวเขานั่นชื่อว่าเป็นปรมาจชตจะเพราะฉะนั้นวิธีใดที่เราสอนให้เขาเพึ่งตัวเขาได้กรรมาฐานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นยกมือขึ้นรูไปไว้ให้เขารูปเองสอนให้เขาหัดตัวเองไม่ใช่มาให้เราหัดให้เขาให้เราเอาบุญให้เขาเขาโกรธเขาเป็นบาป เปลนโกรธเป็นความไม่โกรธเขาจะทําบาปให้เป็นบุญให้เขาทำเอาเองเขาทุกเราเปลี่ยนแล้วบอกเราสอนเขาทุกมันไม่ทุกก็ได้บอกเขาให้เขาเปลี่ยนวันนี้ก็มีโยมวันถ้าไหวหวนเป็นทุกข์มหาไม่สบายใจอาหาหลงคอ พ่อเขาสอนเขาให้เขาเปลี่ยนให้ความเห็นเขาตอนนี้จะไปดูเขาสักหน่อยอยากจะช่วยคนที่มีทุกข์อยากจะช่วยคนที่เก็บที่ป่วยที่ตายมันไม่ควรจะปล่อยกันทิ้งเพราะเราจะไปสอนให้เขาช่วยเขา ให้เขาเป็นผู้จักช่วยเขาเองจะเป็นอัตตาเหตุตโนนะถเขาเป็นได้พื่งของเขาได้นี่คือสัจธรรมไม่ใช่อาจารย์เก่งเราเก่งเมืออาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ไม่ได้มีพระ ส, สูตรตัวผู้เห็นธรรมผู้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมมันก็เราก็ทําได้เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นปัจจิจสมบปบาทเราก็เห็นได้ปัจจิจสมบปบาทไม่ใช่ไปแวกเอาในตับในพุงของพระเจ้าคือทำคำสอนมันอยู่กับเราอะไรที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเหตุเช่นขันทุกมันเกิดจากความหลงควาโกรธเกิดจากความหลง ความหลงเป็นเหตุความหลงเป็นมารดาของชั่วเป็นอกุศลเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นอกุศลเดิมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมาขึ้นมันเติมโนจากอากุศลอกุศลคืออวิชชากุศลคือวิช า, ชามันก็อยู่ที่นี่เกิดที่เดียวกันแต่เปลี่ยนทางกันเปลี่ยนทางกัน แต่เกิดที่เดียวกันมาหน้ามือหลังมือตาหนึ่งเป็นกุศลือไม่หลงเกิดที่ใจตาหนึ่งก็ไดบกุศลือหลงเกิดที่ใจของคนคนต้องเปลี่ยนตัวเองใจของเขาขอต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเขาไม่เปลี่ยนจะขอโค้ดเดือนไม่ได้บุญไม่ใช่ขอทาเมา อะไรก็เหมือนกันถ้าทําออได้ก็แสดงว่าเพิ่งแข็งได้อาชีพก็เหมือนกันเลี้ยงไม่โตอห้พ่อให้แม่เลี้ยงดูอยู่ตลอดจนเท่าจนแข่อันนี้มันก็นเรียกว่าเลี้ยงไม่โตถ้าลูกคน่อยเอาตัวรอดได้เลีเ้ยงโตแล้วเขาเป็นทนโตแล้ว ก็แค่ก็หวังใจไม่ต้องเป็นภาระอะไรเดี๋ยวนี้เป็นภาระต่อมนุษย์ต้องมีคุกมีตารางมีตารวจมีทหารมีตัวบทกฎหมายคนชั่วคนกอยากหมวดเข้ามาแล้วก็ไม่ทำไ่ไหนวิไนมีไวเพื่ออะไรเพื่อแก้คนกอยาก ถ้าคนไม่เก้อยากไม่ต้องมีต่างคนต่างปฏิบัติตัวเองเหมือนกับกฎหมายแต่บางคนมันก็รือ้อมันก็ต้องมีปล่อยไปแไล้ว ไ, ไม่ได้ต้องไปจับคุมคุมขังไว้ถ้าปล่อยไ้เป็นอันตราย อันนี้ก็ก็มันเกิดที่คนเนี่ยถ้าคนเราไม่เปลี่ยนแย้งมันก็ไม่จบไม่ขึ้นมีปัญหาเลยไปถึงมาชวนกันให้ไปถึงมรรคถึงผลหมดซะคนเนี่ยอันทำไมไปไม่ได้ถึงไม่ได้มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยถ้าเปลี่ยนหลงไปหลงก็ไม่ไม่มีพิษมีภัยต่อใครต่อใครแล้ว ไ ม, ม่พิษไม่เปตเตาตัวเองแล้วเหมือนไม่วิชาแล้วก็จบจบจบไปถ้ามีอวิชาก็ไปไปไปไปวิชาก็เกิดสังขารปงแฉงสังขารเกิดนามรูปโปงแฉงเป็นพบเป็นชาติมีอายตนะมีการสมบัติเมื่อมีนามรูปมีอายตนะอายตนะมีแล้วก็เกิดผัสชา ชาไม่แล้วเกิดเวทนาเวทนาไม่แล้วเกิดตัณหาตัณหาไม่แล้วเกิดอุปาทานอุปาทานไม่แล้วเกิดภพก่ชาติเมื่อมีภพมีชาติต้องมีการเกิดเจ็บเจบตายเสร็จ ต, ตายเลยในภพในชาติของวิอวิชาถ้ามีวิชาบกชาติชลามระโสกะไม่มีสั้งขานดับปิญญาดับไอจันดับภพบนามรูปดับ พอไม่วิชาถอยกับอันหนึ่งมันไปอันมันถอยกลับมันท ร, รมัจักทำรรมันจับมันเหยียบไปแหลกไปแล้วมันไม่กลับนี่อย่างคิดศิลาหลมก็เทียนํำลึกครบร้อยปี ให้เป็นลูกธรรมจักรโยนก้อ น, นหินใหญ่จะทำได้มาให้จารย์ทรงถินจารย์ตุ้ม <c oughs> <c oughs> ออกแบบาเอาเหล็กมาโค้งวงเหมือนเหมืนอนโลกสิบสองขี้กรมลงแรกนียสี่ขี้ขยายไปสิบสองขี้เป็นวงโลกอลูกพระผัก สองข้างให้กองถ้ามจักมันหมุนมพระสองโลกถอขี้ทํามจักไปคนละข้างมีวาจิกานั่งคุกเขา่เขาดอนธรรมจักรมีวาศพยุกข้างบนดอนให้หมุนปล่อยข้างหน้าจะทำได้ไหมจะทำได้ก็ดีนะไม่ต้องมีพระพุทธรูปก่อนมาเฉลยเจ้าพุทธรูปมาให้ ก็มีก็ไม่อยากได้นะอยากได้ธรรมจักรอ้าถ้พรุ่งนี้จะไปจะไปไปดูปากช่องธรรมจักรที่เขาที่เขาสกัดหินตบหาข้องไปไทยเอามาเป็นตัวอย่างให้ให้ จะหลงร้อยปีหลังพ่อเทียนดีไหมอะไร <c oughs> ทําก็ไม่พอใจกับงานกรรมฐานเนี่ยงานมักผลเนี่ยมันน่าจะ<ด>ทุ่มเทสักหน่อยมันสอนอะไรก็เอาปิดสารสนี่ประโยชน์นะปิดสาธรรม เหมือนหลองตาไปอยู่ินยอกก็อยู่ชิคาโกมีพี่หวานคนหนึ่งไปเที่ยวไปขึ้นตึกเสียสงที่สุดในโลกแล้วขับรถพาไปขับรถไปเรามีคนตาบอดยืนอยู่กำแพงดิจิตา ลองเพงลงน้องเขาอะไรบอกไม่่านะ่ะหยุดๆุด ด, ดูเขาสยหน่อยด้วย <Okay. S 1> เอ้เขาชื่อว่าหม่ออะไร <All right. S 1> อ่าไม่ต้องออกชืีอขอ <All right. S 1> ดูที <Okay. S 1> เาท้าตาบ่ททำไมมินยิ้มแย้มแสมใสแล้ว <Okay. S 1> าอาจา์ <All right. S 1> ที่เป็นหมอทำไมหน้าปูดๆด <All right. S 1> ไม่อายเขาเลย <laughs> ดูขอสิไปหวานคนขับรถก็โอ้แปกอ่ะเดินเดียดจิตตาล่องเพลงพี่กำแพงมีกระเป๋าเปิดกระเป๋าไว้คนก็อาดอนล่าไปเช่งให้แต่เขาไม่สนใจก็เดินเยดจตตาล่องเพลงหน้าตายิ้มเยี่มยมแจ่มใสเพี้ยนใจของไปผ่านได้แบบโ่าโธ่มีรถเบ้นนั่งนะ ไม่เคยยิ้มแบบนี้ในบ้านในฝรั่งเช่าทั้งสองสามหลังทำไมเราไม่มีความสุขขังเขาไม่เคยมีแบบนี้คิดขึ้นมาหลังจากระอุป ก, กรณ์สอนธรรมะน่าอย่างดีเคลื่อนไหวได้แต่คอแต่ทำไมก็ไม่อุคฤิงดนามเป็นปิชนา สอนใจของเราได้อดังเราเห็นพระวุทธรูปนำะม า, าบูดนำาเบิ่งทาไมนั่งต่อหน้าพระพ้ของพรเจ้าเห็นธรรมเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเปลี่ยนมันมันดีดีลนะ้ะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงแนละ้มีชีวิตชีวา ถ้ามัน ม, มีทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นะมันมีชีวิตชีวาจริงๆนะทำไมจึงปล่อยทิ้งอ่านี้เรื่องของชีวิตเราเท่ๆไม่เสียดายชีวิตเลยมันที่มันตายไปเพราะความทุกข์มันชีวิตเราหมดไปแล้วตายไปแล้ว ไม่ทุกข์มีชีวิตไม่หลงคือชีวิตไม่โกรธไม่พอใจไม่เสียใจไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรคือชีวิตมันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นลอชาติไหนวันนี้วินาทีนี้ธรรมโอาทําโอธรรมโอมันยิ่งกว่าหาทรัพหาเงินมันรวยทางรัด น, นะนปฏิบัติธรรมนะ ทั้งมันเดินไม่รวยทางรัดนะเดี๋ยวนี้เขารวยทางรัดเล่นการพนันหมันจิบหายรวยทางรัดการปฏิบัติธรรมนะเปลี่ยนนั่นเองมาได้เลยมันร้อนเย็นลงง่ง่ายเหมนหลงไม่หลงเหมือนโกรธโกรธมันทุกไม่ทุกมันทางรัดแท้ๆรัดสั้นชาอย่างรัดนี่มือเดียว เนี่ยแสดงธรรมจากโค้ด้าโสดรถนดหมดเดยวมันจะยากกอะไรนะชีวิตทีว่ามีแต่เมกแต่ผลเต็มในตัวเรานะมันก็สัมผัสได้จริงๆนะมันร้อนสัมผัสความเย็น มันหนักสมผัทความเบ่อดูชิต่างกันเคยหนักไหมคิดหน้อยหาบแปดสิบกามเคยหาบไหมฮะเคยหาบแบกข้าวาก็สอบขึ้นมากินบนหลังเขาสี่สิบกิโลแบกขึข้นเขาเคยไหม มีคนไปยกออกมาแบกขึ้นแทนเขาบอกว่าเขาเดินไม่เป็นมันเดินไม่เป็นอันเบามันเป็นไรถ้าหนักใส่บามันดันเออมันเดินได้เวลวาเบาๆมันเป็นไรเขาบอกเ อ, อ้มันต่างกันหนักกับเบามันต่างกันเนาะตอนไปหาบหน่อไม้บ้านธาตุเน่ยเก็บว่าน้องแก่แล้วหาบหน่อไม้ ถ้าดูทำนาไปไว้กินในการทำนาโลกว่ายัดเต็มตะก้าเลยเผาปอกเปลือกออกยัดเส่ตะก้าหาไปถึงบ้านนองแกไตขันนาฝนตกตกไตขันนาวางคนก็ล้มลื้นล้มบางคนไม่ล้ม มีคนมาลับหาบหนาไม้ออกจากบ่าก็มาลับจะว่านมาลับหาบออกจากบ่ายกออกไปเราเดินตัวเบเดินเชยชักเชยโฉมันต่างกันกับหนักเบานะอันหลงกับไม่หลงต่างกันมากๆากเลหรือว่ามันด้านตรงนี้กันมันทุกข์กับไม่ทุกข์นะมันต่างกันมากนะมันโกรธไปโกรธ ต่างกันมากนะไม่สัมผัสตูอย่างนึกซึ่งก็เรืว่าอะไรว่าอืมพุทธศดีพุทธศดีศดขัทธะอันเลอเลอิศพุทธศดีเป็นมารดารของไก่นะพุทธศดีเป็นมารดาของไก่ อ่ ะ, น, ออะน่อยเอ้าคิดหนอยเถอะอพุทธดีเป็นบรรดาของเวชฉันดอนน่ะมันเป็นธรรมนะผัสสะอันเ ล, เลิ่อนจึงมีเวชสันดอนในใจมามืนสัมผัสกับรุภธรรมยอมชารดทั้งฟวงผัสสะอันเลิ่โอรสหมืนโอชาลอดโขรส อย่างเราสวดธรมรมะหังเรามาจาันนี่นะเดิมเหมือนมันดิมยอดโถชาแห่งโถโรดได้ยินไหมเราสวดธรมธรมธรรมะบางมันเป็นสติแผดสะอันเลิอเล่อนลดพระธรรมสัพพรัสังธรมรมารสุขินาติลดพระธรรมยอมจันรดท้องผวง สภาวะติธรรมาติช่นาติเสียงธรรมยอมพเสนยงดังพวงหรือว่าเบื่อหน่ายให้เขายกย่องให้เขาด่าใส่ใจหรือเอาเดินทาใส่ใจใส่ใจเงี้ยงองฟังเขาว่าอะไรเราเขาว่าอะไรเราเขาว่าอะไรคอยจะให้มันโกรธถ้าไม่โกรธไม่ยอมนะถ้าฟังเพื่อจให้โกรธเกิดขึ้นเพื่อให้ความรักเกิดขึ้นใส่ใจอ โมลุธก็ใช้ใจสติฟังเสียงสติก็ฟังเสียงโมลุทธ์แท้เลยแ่ hey, สงขามมีเป็นกันนะกแล้วเจ้าว้เกล่าวแล้วเนี่ยภิกษุเธอคุณคิดในลรมทีคุณคิด เธอเคยมองหน้ามาตุคามคุนคิดในการมองหน้าเธอเคยได้ยินเสียงมาตุคามเธอคนคิดในเสียงมาตุคามเธอว่าฉันต้องเธอทะลุแล้วต่างแล้วคอยแล้วสติเขมามากันนะไม่ชีเข้ามากันนะอ <laughs> คิดถึงการเก่ามาตุคามได้ยินเสียงมีนะ นี่พระอรหันวางลูกอ่ะหลวงพี่เกิดมานี่เสียงมาตุคามเสียงจิตีนะเกิดมานี่ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรที่บ้านเกิดมาไ ม, ม่เคยได้ยินว่าไม่มีอะไรที่บ้านยังไม่มีแต่ปุรุษผู้จะมีเป็นเจ้าของผู้จะมาเป็นเจ้าของ หลวงพี่พอจะเป็นเจ้าของได้ไห ม, ไมเสียงสตีใ <laughs> ช้ว่าอย่างไรฮะตุ้ยฮะใช้ว่าไงหลังพีตุ้ยฮ ะ, บ, ะ, ยะบ้านของหนูไม่เคยได้ยินครับว่าไม่มีอะไร <laughs> ไม่มีอะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินแต่มันขาดจาคือจะมีบุรุษมาเป็นเจ้าของ หลวงพี่พอจะเป็นเจ้าของได้ไหมปิกสูด้วนั <Hmm ้นปึ้งเมาชี้ตังเมยชขี้ตังมยขี้เชือเอบังก็มยด้วยการเสนอ